นิทานเรื่องเรื่องของกบตัวเล็กๆตัวหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะมีกลุ่มของลูกกบตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่งได้มารวมกันจัดการแข่งขันเพื่อจะปีนขึ้นไปบนยอดเสาไฟฟ้าแรงสูงเวลามีการแข่งขันใช่ไหมคะก็จะมีกลุ่มชนชาวกบมากมาย มารอเชียร์รอชมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะการแข่งขันเริ่มขึ้นพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่มีชนชาวกบตัวใดจะเชื่อว่าเจ้ากบตัวเล็กๆ เ, เหล่านั้นจะปีนขึ้นไปจนถึงยอดได้มีเสียงพูดลอยมาให้ได้ยินเป็นต้นว่าเขาไม่มีทางจะขึ้นไปถึงยอดล้อ มันยากมันลําบากขนาดนั้นและเขาไม่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จหรอกเสามันสูงขนาดนั้นแต่เจ้ากบตัวน้อยๆก็เริ่มที่จะล่วงหล่นลงไปทีละตัวทีละตัวยกเว้นเจ้าตัวหนึ่งค่ะซึ่งยังปีนอยู่อย่างมุ่งมั่นสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้น ฝูงกบก็เริ่มส่งเสียงร้องตะโกนมันยากเกินไปไม่มีใครทำได้หรอกค่ะกบส่วนใหญ่เริ่มเหนื่อยและยอมแพ้แต่มีกบตัวหนึ่งก็ยังตั้งหน้าตั้งตาปีนสูงขึ้นสูงขึ้นเอ๊ะแปลกนะเจ้ากบตัวนี้มันไม่ยอมแพ้ค่ะเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ตัวอื่นๆต่างอยากปีนขึ้นสู่ยอดเขาจนหมดต่างก็อยากจะรู้ว่าไอาจุ ก, กบตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันมีพลังในการปีนขึ้นสู่ยอดเสา อันเป็นเป้าหมายจนประสบความสำเร็จได้อย่างไรเรื่องกับกลายเป็นว่ากบผู้ชนะตัวนั้นหูหนวกคะ่ะเรื่องเนี้สอนให้รู้ว่าอย่าฟังคำพูดในด้านลบหรือการมองในแง่ลบจากคนอื่นเพราะเขาเหล่านั้นจะดึงความฝัน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 ของผู้คนที่บอกว่าคุณไม่สามารถทำความฝันของคุณให้เป็นจริงได้แต่ให้คิดเสมอว่าคุณสามารถทำมันได้